ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ชมทั้งหลายผู้ฟังทั้งหลายในการบรรยายประสุทธ์ในวันนี้ก็จะได้พูดถึงพุทธชัยมงคลคาถาข้อที่สซึ่งพระโบราณอาจารย์ไดรวบรวมเนื้อหาจากสูตรต่างๆแห่งพระใจบิดกมาประพันธ์ไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชัยชำนะ ต่อช้างนาลากิรีผู้มมงมันยิ่งนักแล่นมาเหมือนธนูที่หลุดจากแกล้งด้วยเพื่อจะทำลายพระองค์ด้วยธรรมะคือพระเมตตาด้วยอานาจของชัยมงคลคาถานี้ขอสับมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านซึ่งได้กล่าวมาแล้วว่าพุทธชัยมงคลคาถานั้นเป็นการนำเอา เรื่องราวต่างๆในส่วนของพระสูตรกิริยวจัยวิดโดกมาประพันธ์สรุปเป็นตานองขออนุภาพให้เกิดสวัสดิมงคลเกิดชัยชันะแก่บุคคลหรือแก่ชุมชนเหล่านั้นซึ่งข้อนนี้จะพบว่า ในสังคมไทยเรานั้นได้ถือพุทธชัยมงคลคาถาเป็นเรื่องใหญ่มากมีการเขียนอัทธาที่บายกันตั้งแต่ชั้นของอัจฉกิยชั้นดีกาเราเรียกกันว่าเป็นดีกาพาวุงในวิธีการที่เกี่ยวกับมงคลทั้งหลายตั้งแต่โบราณกาลมาจนถึงปัจจุบันไม่ ว, ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ก็จะนำเอาพุทธชัยมงคลทั้งแปดประการนี้เข้ามาใช้เพื่อขออนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าโดยประธรรมประสงค์ให้เกิดเป็นชัยมงคลขึ้นในสถานที่นั้นข้อความในเบื้องต้นจึงเป็นข้อความกระจัด ก, กระจายจากส่วนต่างๆไม่ใช่ประสูตรเดียวโดยเฉพาะคือถ้าเราจะมองย้อนต้นไปจริงๆ คือไม่ให้ไกลเกินไปนะเมื่อคราวที่พระพุทธเจ้าสัสร้และเสด็จเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ประมาณปีที่สถึงปีที่สี่ก็ได้เสด็จไปเยี่ยมพระญาติที่กรุงกบิลพัทในการเสด็จไปครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเราก็จริงแล้วพระญาติถึงแม้จะ พระองค์จะเป็นกัติยกคุมารอยู่ต่ในตำแหน่งมากราชสุุมารก็ตามแล้วก็ตอนนั้นจัสรรูเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามแต่มีพระญาติโดยเฉพาะที่เป็นผู้ใหญ่คืออายุมากกว่าก็ยังตีเสมอกับพระองค์คือถือว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นลูกหลานซึ่งควรจะแสดงความเคารพคารวะต่อท่านเหล่านั้น พระพุทธเจ้าเห็นท่าไม่ได้เรื่องก็แสดงปาฏิหาริย์เลื่อนลอยขึ้นไปอยู่บนอากาศเป็นานองจงกรมบนอากาศเหมือนกับให้ธุลีจากละอองบาตโดนลงตกบนพระเศียรของพระญาติเหล่านั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าเวลานี้ฐานะมันก็เปลี่ยนไปแล้วหรือพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ไม่มีอภจายนาใหมา่ คือไม่ใช่ไม่มีความอ่อนน้อมแต่อ่อนน้อมสุดยอดการอ่อนน้อมสุดยอดนั้นคนที่พระพุทธเจ้าจะถวายบังคมได้ก็มีเพียงพระธรรมเท่านั้นเองคือนอกจากนั้นจะคืนให้พระพุทธเจ้าไหว้เข้ามันก็แทนที่จะเป็นวงคนสมบคนนั้นมันก็เป็นอัปมงคลสมบเขาแล้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงเวสันดรชาดกในสมาคมนั้น จึงก็เป็นหนังสือที่มีเป็นเรื่องราวชาดกที่มีที่พลในสังคมไทยเป็นอย่างสูงตั้งแต่โบราณกาลมาอย่างน้อยก็ตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยก็ในคราวที่เสด็จมาในคราวนั้นแต่เสด็จกลับไปแล้วคือเสด็จกลับไปอยู่ที่ปาวาลเจดีพวกพระญาติทั้งหลายก็ได้มาประรบถึงคำมั่นสัญญาที่ได้ตกลงให้ไว้สมัย พระโพธิสัต์ประสูตรคือมีการถวายพระราชกุมารที่รุ่นราวคราวเดียวกันกับพระโพธิสัตวให้เป็นบริวารพระโพธิสัตว์โดยมีข้อตกลงกันสองฝ่ายคือถ้าพระโพธิสัตว์เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิก็จะขอเป็นข้าราชบริพารโดยเสด็จแต่เนื่องจากพระโพธิสัตว์มีกติเป็นสองก็ต้องคถวายปฏิญาณไว้สองอย่างคือถ้าเสด็จออกผนวดก็จะขอบวชตามด้วย ซึ่งคนทั้งหลายเหล่านั้นก็จําเป็นที่จะต้องปฏิญญาเท่านั้นประการที่สองเพราะไม่มีใครจะบีคิดมุ่งหมายอย่างนั้นแม้แต่พระเจ้าสุโทธทนะเองก็ต้องการจะให้พระโอรสเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมากกว่าที่จะให้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงคือคนสมัยนั้นก็ถือคําสัตย์มากเรื่องสัจจะที่ให้ไว้เนี่ยต้องรักษาทาไมรักษาคนอื่นต้องบีบบังคับไม่รักษาโดยเฉพาะ ราชกุลศักยะนั้นเป็นราชกุลที่ยอมสละทุกอย่างเพื่อรักษาสัจจะเพยียงตัวเดียวนเท่านั้นเองท่านทั้งหลายที่เคยอ่านพุทธวัตรจะพบว่าปฐมวงศ์ของพระพุทธเจ้าคือพระเจ้าโอกากากราชทรงรักษาแม่แต่พระอสัจจวาจาที่ทรงพลังคือหลุดปาก ร, ราชทานไปนเท่านั้นเองเพราะฉั้ระญาติผู้ใหญ่เมื่อเห็น ร, ราชกุมารที่รุ่นแรงคราวเดียวกับพระพุทธเจ้าไม่ยอมบวชตามปณิญญา คือบวชก็บวชนะฮะส่วนที่เขาบวชก็บวชแต่ส่วนไม่บวชยังมีอีกมากพระญาติก็ไปตำหนิทำให้พระราชกุมารหลายองค์โดยเฉพาะในคราวนั้นก็หกองค์ก็คือพระนุรุษพระนนทพระพักตรพระกิมพิละพระเทวทัตพระพัติยะแล้วก็ อุบาลีซึ่งเป็นนายผู้สาวมัลาก็ตกลงออกบวชโดยเสด็จแต่ว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่นั้นแล้วเราไปประทับอยู่ที่แคว้นมัลละตรงนี้ก็ต้องตามเสด็จไปฝ้าพระพุทธเจ้าที่จริงพระอุบาลีนั้นเจตนาครั้งแรกไม่ได้เจตนาจะบวชแต่เจตนาจะส่งเสด็จ พอไปถึงชายแดนระหว่างกรุงกบินละพัฒกับแควนมันละราชกุมารเหล่านั้นก็เปื่อนไอเครื่องทรงสมหรับขัดยากุมารออกหมดก็มอบให้อุบาลีเรากว่าต่อไปนี้เธอก็ขายเครื่องประดับเหล่านี้ก็อยู่ดีมีสุขได้แล้วไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรเตาต่างคนต่างก็ร่ำลากันทพราว่าในอุบาลีเป็นภูษามาลาช่างแต่งพระองค์ บืงบาลีท่านได้คิดเนี่ยแต่ในคิดว่าท่านเหล่านี้ทิ้งสมบัติเป็นนันมากออกเรือนและสละราชวังราชสมบัติเป็นนันมากออกไปแต่ก็มอบสมบัติเหล่านี้ให้ท่านมัเหมือนกับคนถมน้ําลายแล้วก็ให้ท่านเอาศีรษะไปรับท่านก็ไม่ยอมรับไอ้ท่านไม่ยอมรับนั้นนอกจากความคิดดังกล่าวนี่ยมันก็มีความคิดอีกอย่างหนึ่งว่า การที่ท่านนำเอาเครื่องประดับของราชกุมารหกพระองค์ไปโดยที่ราชกุมาร น, นั้นไม่ปรากฏในั้นใครอาจจะกล่าวหาท่านว่าข้าบราชกุมารแย่งเครื่องประดับก็ได้แล้ท่านก็ตายก็ในที่สุดท่านก็เอาของเหล่านั้นแขวนต้นไม้ไว้แล้วก็ขอโดยเสด็จไปด้วยและในที่สุดก็ไปบวชในพุทธสัมนั ก, การบวชในสมัยนั้นเป็นยุคต้นพุทธสมัย แม้จะบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าก็ตามแต่เป็นยุคที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระสงฆ์บวช ด, ด้วยหลักที่เราเรียกว่าติสนกกมมันุปสัมปทาคือให้คนบวชประกาศตนถึงพระเจศานาคมไปอยังขนาดที่เราบวชเนรปัจจุบันนะฮะสมัยนั้นก็ขนาดบวชเนรปัจจุบันตอนที่จริงมันตอนจบตอนห่มจีวรนนะ่ะแล้วก็ พระให้สินเสร็จก็จบแล้ให้สินเสร็จก็จบเป็นพระนสมัยนั้นดังนั้นท่านเหล่านั้นบวชในพุทธสํานักจริงแต่ก็มอบหมายให้คนอื่นรับผิดชอบในการปกครองแต่เราเรียกสมัยแร ก, กว่าอุปชาต่อมาอุปชาก็เปลี่ยนนะฮะคำเหล่านี้เปลี่ยนการใช้อํานาจหน้าที่ขึ้นทีหลังเมื่อบวชแล้วต่างคนต่างก็เริ่มบําเพ็ญเพียรปฏิบัติไปก็ทั้ง6ท่าน พระเจ้าพัติยะซึ่งตอนนั้นเป็นพระเจแผ่นดินแล้วก็บรรลุอรหัตเป็นพระหันองค์นี้ที่เปล่งอโหสุขขังอโหสุขขังทุแห่งนะไปอยู่ที่ไหนก็ตามคือสุขหนอสุขหนอจนเพื่อนเข้าใจว่าท่านปราบราชาสมบัติถึงบทวสุขท่านก็กราบทูลในรูธเจ้าทรงทราบคือพรูปเจ้านั้นท่นานทราบนะทรงทราบแล้วแต่ต้องการจะให้พระพัติยะแสดงเอง เขบอกว่าเมื่อก่อนนั้นท่านเป็นกษัตริย์ถูกข้อมล้อมด้วยบริวารเป็นนั้นมากไปในที่ใดแต่ก็ใจมันก็สะดุ้งยังหวาดระแวงไปด้วยประการต่างๆคือยังไม่ได้สุขจริงๆแต่ในปัจจุบันนี้อยู่คนเดียวในป่าไปไหนมาไหนก็เป็นสุขม <c oughs> ันหลุดพ้นจากอํานาจของกิเลสเมื่อหลุดพ้นจากอํานาจของกิเลสมันก็หลุดพ้นจากความกลัวหลุดพ้นจากเวรภัยอันตรายต่างๆ <c oughs> ถึงแม้จะมีเวรภัยจากใครมันก็ไม่หวัดไม่สะดุ้งอะไรความความสุขก็เกิดขึ้น พระอนุรุตก็ได้บรรลุอรหัตพระพักตรพระกิมพิละก็บรรลุอรหัตก็บรรลุอรหัตสี่องค์อ้อพระอุบาลีอีกอหนึ่งพระอุบาลีบรรลุอรหัตก็ยังเหลืออีกพระอานุ์กับพระเทวทัทถ์พระอนุนนั้นได้บรรลุแค่โสดาบันทำตาม ท, ที่เป็นคนที่มีบารมีธรรมสูงมากแต่บรรลุคราวนั้นบรรลุแค่โสดาบันแต่นั่นเอง ส่วนพระเทวทัศนั้นได้ฌานที่เป็นโลกิยาคือสามารถสําแดงอิทธิริตต่างๆได้ระดับระดับอภิญญาเขาเรียกว่ า, าพิญญานั้นมีสองชั้นคือชั้นโลกิยะก็ได้ชั้นโลกุตระก็ได้แต่ชั้นโลกิยะให้สังเกตว่าท่านที่ได้พิญญาเหล่านี้พอผ ล, ลุท้ายแสดงมากๆเข้าคนกระลบนับถือมากข้าราบสการะเกิดขึ้นมากข้าประเดี๋ยวก็เสื่อมคือกิเลสมันเกิดมันเป็นการส ง, งบนิวรณ์ไว้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเอง ก็ในการภายหลังที่จริงก็หลังจากนั้นนะครพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ากรุงพัยสาลีก็มีคนมาต้อนรับเป็นนันมากก็สอบถามห า, รราออพระเถระกันเอาภสสาลีบุตรมาไม้พระมกกลานะมาไม้พระอานุ์มาไม้รมพะมม ร, ะนนมมระพัตยะมาไม้ก็ถามหมดนะคือทั้งทั้งเจ็ดองค์ที่บวชนั้นมีคนก็ถามหาทั้งหมดมีคนคนเดียวที่ไม่ใครเอ่อยชื่อถึงเลย คือพระเทวทัตตอนนี้คือจุดจุดไฟขึ้นขึ้นคราวแรกภายในใจพระเทวทัตเป็นไฟแห่งความโทมนัสน้อยใจแล้วก็กลายเป็นฤิษยาอาฆาตหาเป้าที่จะเล่นไม่ได้กูยิงทีเดียวยิงเป้าใหญ่เลยหรือเอาพระพุทธเจ้าเลยเาจากนั้นพระเทวทัต ก, ก็เริ่มท่องสมผู้คนหาแสวงหาพระพวก ก็เป็นยุคที่พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าปเนสนีโกศลพระเจ้าพวกกษัตริย์มันละพวกลิจวีในแคว้นวชิรเนี่ยพวกศักยะพวกโกริยะอะไรแต่ไรบริเวณนั้ น, นคือใกล้ๆนั้นมันก็หมดแล้วนะเป็นนับถือพระพุทธเจ้าหมดแล้วเป็นชาวพุทธหมดแล้วคือแกคิดจะหาว่าพวกที่ไหนก็ในที่สุดก็ไปหลอกพระเจ้าชาติศัตรูเพื่อจะร่วมมือกัน คื อ, ค, อคือสร้างเป็นขุมกำลังนะพอจะเอาพระเจ้าพิมิสารก็ไม่ได้นะท่านเป็นพระโสดาบันพระเจ้าประสิทธิ์ที่กุศลก็ไม่ได้ถึงไม่เป็นพระโสดาบันแต่ท่านก็เป็นกษัตริย์ผู้ใหญ่แล้ว พ, ลพวกกษัตริย์มาระพวกติจวีพวกศักยะยิ่งเอาไม่ได้ใหญ่ถ้าก็ไปหลอกราชกุมารทุกเจ้าชาติตรูตอนนั้นก็เป็นราชกุมารอยู่ยังไม่ได้เป็นจเจ้าแผ่นดินก็ไปด้วยเพศของมานพ คือคือคือฤทธิเเนน์เนี่ยเป็นโมกพวกมโนมป็ยิตนี่เขาเขาเปลี่ยนภาพได้ตอนนั้นท่านไปด้วยด้วยเพศมารนบได้แสดงฤทธิ์ได้เพราะว่ากิเลสยังไม่เกิดเต็มที่ไปถึงแสดงอภินิหารต่างๆให้ราช ก, กุมารยอมเสียบแล้วก็ตกลงชี้แจงคือท่านอธิบายเก่งนะครับเป็นคนพูดเก่งมากพระเทพรทัตเนี่ยพูดจาโน้มน้าวเอาขาวเป็นดาได้เลย ในที่สุดพระเจ้าชาตู้ก็เชื่อก็ยอมแล้วก็กลายเป็นแหล่งที่บำรุงส่องสุมผู้คนทั้งฝ่ายพระใหญ่ซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกนะครับพระเทวทัตทั้งๆที่ว่าท่านก็เป็นแค่นั้นเองแต่ก็มีบริษัทบริวารมีภิกษุณีเป็นบริวารมีภิกษุเป็นบริวารมีสามเณรบริวารนุบาสกชาวบ้านมีเยอะก็สะแสดงมันก็สูตรของของมนุษย์อย่างหนึง่ง คือหมายความว่าในโลกนี้ใครจะพิเลอกพิลั่นเพียนเพียนยัางไงาก็มีคนนับถือจนได้เพราะมีพวกเพี้ยนประเภทเดียวกันนองไปนับถือเข้าเป็นสูตรที่น่าทึ่งคือน่าอาศรรัศจรรย์อย่างหนึ่งของคําพูดท่านสัญชัยเวรัทธบุตรที่จริงก็เป็นาศาสดาสมัยนั้นพระเจ้าชาติสุบะกราบถุนพระพุทธเจ้าว่าบรรด า, าศาสดาทั้งหลายที่ท่านไปสนทนากันมาเนี่ยสัญชัยเวลัทธบุตรดิงโง่ที่สุดเลย อย่างที่เคยเล่าให้ฟังในพรมมารยาทสูตรนะว่าสัญชัยเวรัตบุตรเป็นคนที่พูดจาไม่รู้เรื่องที่สุดเข า, าเรียกว่าอมราวิเขปิกาคือลื่นแบบปลาไหลแต่ว่าบรรดา้ความเหลวไหลทั้งหมดของท่านนั้นมีคำพูดที่คมที่สุดอยู่คำหนึ่งแล้วก็พิสูจน์ตัวเองมาได้ทุกยุคทุกสมัยคือตอนพระสารีบุตรไปลา เธอจะมาบวชในสำนักพระพุทธเจ้านั่นปีที่สองของการจัดสรุปนะปีแรกของการจัดสรุนั่นแหละแต่ก็มาแถวแถวแถวแถ ว, แถ ว, แถวเดินเดือนอ้าดเดินยิ้มนะครับก็สัญชัยไม่ยอมไปบอกว่าการที่แกซึ่งเป็นอาจารย์คนแล้วไปเป็นลูกศิษย์คนเนี่ยมันเหมือนกับจับเจระเคไปใส่ในตุ่มหรือเหมือนกับน้ํามันกับเครื่มแก่เป็นไม่ได้หรอก ภาษาดิบุตรก็บอกว่าอาจารย์เวลานี่พระพุทธเจ้าก็สัสรุปขึ้นมาแล้วคนทั้งหลายก็ไปนับถือพระพุทธเจ้าการอาจารย์จะอยู่กับใครจะมีใครบำรุงส ก, การะนับถือท่านย้อนถามแล้วก็ขมมากท่านย้อนถามว่าในโลกนี้มีคนโง่ามากหรือคนฉลาดมากภาษาริบุตรก็บอกคนโง่ามากคนฉลาดน้อยท่านก็บอกเออทั้งั้นไม่ถังกลัวคนโง่ก็จะมาหาฉันเองซึ่งเป็นคนโง่คนฉลาดฉลาดก็ไปหาพระธรรมนะโคดมซึ่งเป็นคนฉลาด เพรงางันแกก็อยู่ได้พระพุทธเจ้าก็อยู่ได้แต่ว่าที่จริงเอาไปเอามานะฮะทหารคนนั่นคือแกจะได้พวกมากกว่าพระพุทธเจ้าแต่จะซ้าไปพราะคนโง่ามากกว่าแต่ว่าการจริงๆในสมัยนั้นก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะฮะแต่แต่ว่าหลักคําพูดของท่านแล้วเนี่ยคือถือว่าเป็นความคมไาย่พระเทวทัตก็เริ่มซ่องสุมผู้คนกับพระเจ้าชาติสูยุโยงพระเจ้าชาติสูจนถึงข้าพ่อนะฮะรู้สึกจะเคยเล่ามางคราวนึ่งแล้วเอ่อ พระเทวทัตเองนั้นเริ่มคราวแรกเริ่มคราวแรกนั้นไปท่านไปไปขอปกครองสงฆ์ก่อนคือขอรับบริหารคณะสงฆ์แทนนะฮะโดยอ้างว่าพระพุทธเจ้าแก่แล้วท่านจะขอบริหารคณะสงฆ์แทนเองที่จริงตอนนั้นพระพุทธเจ้าพระชนม์ยังมา ย, มายุไม่ได้4ี่สิบนะฮะพระเทวทัตเองก็แก่กว่าพระพุทธเจ้าด้วย เพราะว่าเป็นพี่ของนางยะโสธราซึ่งคราวกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าคนเราพอหลงแล้วก็ก็หลงกายลืมแก่นะฮะกระทั่งก็หลงยุ่งไปหมดก็ลืมแก่ไปด้วยพระพุทธเจ้าก็ส่งตำหนิเอาแล้วก็ส่งปฏิเสธทําไม้พระเทวทัตแค้นมากก็วางแผนในระษาที่บุรฆ่าพระเจ้าพิมพิสารจนสำเร็จ ท่านก็อยู่เบื้องหลังนะฮะแต่ในที่สุดท่านก็เริ่มวางแผนฆ่าพระพุทธเจ้าไอบ้บทบทบทเนี่ยบทพุทธชัยยมงคลคาถานี้เป็นแผนครั้งที่ครั้งที่สองต่อจากแผนครั้งที่สามต่อจากขอพรนะรขอจากปกครองขออำนาจปกครองทรงคือครั้งแรกนั้นท่านจ้างนายขามังฉนู เพื่อยิงพระพุทธเจ้าแต่เป็นการจ้างที่เรียกว่าซ้ํารอยนะคือคนเร็วทั้งหลายเนี่ยมันก็เดินทางเร็วด้วยกันแต่กค็คือเราดูแล้วรู้สึกว่ามันก็โง่นะดูวิธีธ ร, รมคือแกวางแผนให้มายขมังธนูนี่เรียงกันออหนึ่งคนแล้วก็สองคนสี่คนแล้วก็8คนเพื่อคนที่หนึ่งนยิงพระพุทธเจ้าแล้วให้เดินมาทางนั้นให้สองคนนี่ยิงคนที่หนึ่ง แร่สคนเน่ยยิงไอ้สองคนและแปดคนเน่ยยิงไอ้สี่คนแล้วท่านเองจะไปฆ่าคนแปคนเอามาบาโง่มากเลยวางแผนโง่มากเลยคือจะไปแอบซุ่มฆ่านะฮะซุ่มฆ่าเพื่อจะปิดปากสรุปว่าฆ่าปิดปากแต่ว่าท่านเองคนเดียวจะไปฆ่าคนนี้เดียวแปดคนแล้วทําห้มันยืดเยื้อไปตั้งหลายชั่นหลายตอนนั้นทําไรหนึ่งเอ่อหฆ่าพระพุทธเจ้าสองฆ่าหนึ่งสี่ฆ่าสองแดฆ่าสแล้วหนึ่งจะไปฆ่าแปด ก็ดูแล้วก็รู้สึกกโมหะเต็มตัวก็ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปโปรดนาะยขมังธนูทั้งหมดแล้วก็บอกให้ไปทางอื่นหมดเลยก็เสียแผนท่ให้พระเทวทัศ์แค้นมากครั้งที่สองนะครั้งที่สองจึงไปหาพระเจ้าชาติศัตรูแต่ตอนนั้นพระเจ้าพิมิฐานยังยังไม่ถึงกับถกรงประชนันนะครับเพราะว่า เหตุการณ์ที่ประทุสราเนี่ยมันมันมั น, ม น, ม น, มนต่อ ต, อตอชนช น, ชนกันพระเจ้าชาติรูทําอย่างหนึ่งปฏิวัทาก็ทําอย่างหนึ่งโดยต้องการจะให้พระเจ้าชาติรูเป็นเจ้ากรุงราชครือังคาขามาคตท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าและจะใหญ่กันสองคนก็ไปขอช้างนาลาคิรีซึ่งเป็นช้างศึกตอนนั้นกําลังตกมัน ก็ไม่จะตกมันธรรมดาแกเอาเหล้าไปให้ดื่มด้วยซึ่งแสดงว่าเละมากแล้วพระเทวทัตตอนนั้นเอาเหล้าไปให้ดื่มเมาตั้งสิบหกสิบหกสขเมาเหล้าทั้งมเมาเหล้าทั้งเมามันเอากันมาเต็มที่เลยแต่ว่าข่าวนี้มันเป็นปฏิบัติการที่โฉ่งช่างตัวแบบพระเ ท, ทรรวทัตทําอะไรโฉ่งช่างชาวบ้านเองเขาก็รู้กันหมด คนก็ไปกราบทูนพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็ประทับที่พระเวรุวันก็นไม่ได้ไกลวิญญาณเสด็จออกบินธบาตพรุ่งนี้พ ร, พระพเทวทัตจะปล่อยช้างให้แทงพระพุทธเจ้าวิว่าเสด็จก็เสด็จไปทางอื่น่าเสด็จทางนั้นพระเจ้าก็เพียงแต่รับทราบแต่รุ่งเช้าก็เสด็จเพราะที่จริงเรื่องทั้งหมดรพระเจ้ารู้ทั้งหมดแต่ว่า ถือจะไปห้ามไปปรามอะไรไม่ได้คนเรามันเลือดเข้าตาตอนนั้นก็ในที่สุดเมื่อพระเจ้าเสด็จมาเนี่ยเยวทัตก็ปล่อยช้างคุมเองเลยนะคุมเองใลคุมช้างมาเองเลยตอนนี้เลยเลยเล ย, เลย ไ, อไอ้ไอ้ความจงจ่างอะไรต่างๆแก่นแกในพลาดคือคือตอนที่ไปกลิ้งหินนั้น เราไม่ใช่ใช่ใช่คือว่าตอนกริ่งตอนนี้เป็นตอนที่สี่นะฮะคือขอปกครองสงจ้างนายคำหวังธนูกริ้งหินและปล่อยช้างปล่อยช้างนั้นเป็นการปล่อยครั้งที่สี่ตอนกริ่งหินเพราะท่านไปแอบอยู่หลังหินพระเองก็ไม่เห็นนะฮะเห็นแต่ว่าเห็นไม่กี่องค์แนละ้วทีนี้พระท่านก็ไปพูดอะกริ่งก็กริ่งมาก็ถูกหินนิดเดียวก็เป็นเรื่องอยู่ในป่าริมปุกปกเขาเคจกุ okay, so ไอ้ขามันก็ไม่ออการตึ ก, กพอตอนนั้นท่านขุมช้างเองเลยก็กจีวปรปลิวกันแล้วกันนะขุมช้างมาเองก็จีวรก็ปลิวคนก็เห็นเลยทีนี้พอช้างแต่ว่าถ้าไม่ได้ขี่ช้างมาท่านขุมข้างหลังไล่ช้างมาข้างหลังพอช้างก็วิ่งมาอย่างแรงพิสูจนทั้งหลายก็หลบมีพระนอานนท์วิ่งเข้าไปขวางช้างพระพุทธเจ้ารับสั่งจะทําอะไร พระนรินบอกว่าคือต้องการจะสละชีวิตแทนพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านเองนั้นคือจะตายมันก็จะก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะ่ยแต่ถ้าพระพุทธเจ้าตายแล้วโลกจะสูญเสียอย่างแรงมากพระพเจ้าก็รับสั่งให้กลับมาโดยรับสั่งว่าก็อย่างที่เล่าให้ฟังกันก่อนนะครับว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นอภัยทัศนีระเกิดพูดจำนวนปัจจุบันว่าคงกระพันชาตรีจะไม่มีมนุษย์เทวดามันพรมยมยักษ์อะไรทำพระพุทธเจ้าได้ ลักษณะธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นจะไม่ตายด้วยความพยายามของคนอื่นคือใครจะฆ่าใครจะทับอะไรก็ทำไปเถอะก็ทำได้แต่ว่าจะไม่เป็นอันตรายอะไรต่อพระองค์เลยนี่เป็นธรรมดาก็เรียกว่าเอก็หลักสูตรนะฮะเป็นกรรมกำเนิดเรามีกา ร, ร ม, ม, รรม เ, เป็นกําเนิดนะเป็นกําเนิดเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเองพอถึงจุดที่เป็นพุทธะแล้วพระพุทธเจ้าทุกองค์จะเหมือนกัน คือใครจะทำอันตรายไม่ได้พ อ, อช้างแกวิ่งมาอย่างแรงวิ่งมามันก็โดนกระแสกระแสเมตตาของพระพุทธเจ้าที่พุ่งไปนะครช้างมก็เริ่มอ่อนมาถึงก็งาปักดินก็โทรมล น, นั่นนัลยแล้วพุทธเจ้ารับสั่งเราไปตํานองวันเนี้คือเธอได้มาเกิดเป็นช้างเป็นสัตว์เนี่ยเพราะอาสุกุศลกรรมที่ได้ทําเอาไว้ ก็ไม่ควรจะสร้างกุศลกรรมเพิ่มขึ้นแล้วก็ภบชาติของถือจะดีขึ้นจะสูงขึ้นช้างก็ยืนยืนขึ้นก็ทำนองยกมงวงขึ้นถวายบังคม้วก็เดินน้ำตาไหลกลับเข้าลงติวทัศน์ก็พ่ายแพ้เรียกว่าก็หมดเข่าแต่ชื่อเสียงความผิดของท่านก็เป็นที่ปรากฏแก่สายตาชาวโลกตั้งแต่วันนั้น ซึ่งต่อมาก็เรื่องก็ยืดเยื้อมาที่เกิดขึ้นแก่พระเทวทัตในโอกาสต่อไปแต่เฉพาะในที่นี้ประเด็นที่ที่น่าทําการศึกษาก็คือว่าทำไมพระเทวทัตท่านจึงท่านจึงไปไปไ ป, ไปวุ่นวายกับพระพุทธเจ้าเช่นนั้นคือเรามองอีกทีหนึ่งว่ า, าทุกศาสนาและมีพระเจ้าก็มีซาตานมีพระพุทธเจ้าก็มีพระเทวทัต แต่แท้จริงถ้าเรามองให้ซึ้งแล้วเป็นแรงริ์ยากับอาคาตซึ่งฝังจิตสันดานมาฝังคำพกข้ามชาติมาเลยพระเถวทัตเนี่ยเราก็ได้รับเชื้อบวกข้าอีกในปัจจุบันคือในอดีตชาติในชาดกเรื่องแรกนะฮะในอปันากะชาดกในเสริวะชาดกก็บอกว่ามันก็เกิดมาจากกรณีที่พระพุทธเจ้าก็คือแบบพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ย คือเป็นเป็นคนดีในหมู่คนน่ยพระพุทธเจ้าก็เป็นยอดยอดศาสดาในหมู่ศาสดาเพราะงั้นเมื่อเมื่อท่านจะเกิดภพชาติไหนก็นตามท่านก็แสดงไอ้คุณลักษณะของคนดีออกมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นพ่อค้าด้วยกันก็เกิดขัดแย้งกันนิดเดียวก็ไม่ใช่ขัดแยง้งฮะที่จริงไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เจอก็เลยทั้งไปแต่ว่าพ่อค้าเทวทัศน์ต้องการจะโกงราคาถาดทองพ่อค้าโพธิสัตว์ ให้หมดเลยแล้วก็บอกความจริงกระถาดนั้นเป็นทองให้สมบัติของตัวเองทั้งหมดเพื่อแลกกับถาดทองแต่ให้พอคาเทวาทัตโกรธแล้วก็กลมกัมสายขึ้นมาเนี่ยอธิษฐานจองร่างจอง่านพระพุทธเจ้าทุกภพทุกชาติซึ่งการอธิษฐานในแนวนี้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องพระกุมารกัตสปะวัน ร, รับกัตสปะพะยะทรุจิรยะในคนคนในสมัยพุทธกาลมีทั้งหลายท่านนะฮะพระอรหันต์พระอาาริยบุคคลเนี่ยโดน โดนโควิดตายต้งสามท่านลกันโดนโควิดตายทั้งสามท่านไม่ท่านได้บวชอ่ะที่เคยเล่าเรื่องปุกษาติอนนัานบุตรฟังคราวนี้ก็คือเรื่องเรื่องเรานั้นเราไม่ได้ผูกใจนะแต่เขาผูกเราไม่รู้เขาก็จองล้างจองผานเราเรื่อยแต่ว่าเนื่องจากเราไม่ผูก เมืองเมือนกับคนดา่าเราไม่ดา่าตอบคนประหารเราไม่ประหารตอบประทุษ ร, ร, ร, ร้ายเราไม่ประทุษร้ายตอบพราะองค์นเทธวัฒก็ทําอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้อยเลยเพราะพระพุทธเจ้าเองท่านไม่ถ้าไม่ได้ปลูกอะไรแล้วถ้าไม่รู้เรื่องด้วยว่าที่จริงอในสมัยนั้นทีนี้พอตอนหนุ่มๆ ม, มันก็เกิดมาจากว่าฐานะเป็นราชกุมารด้วยกันแล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันถึงว่าที่จริงก็ศักดิ์ศรีก็ทัดเทียมกันนะฮะ คือพ่อพ่อของพระเทวทัตก็เป็นเาเรียกว่าคือราชาธิราชชาติบ้านเมืองของพระพุทธเจ้าไม่ไม่ใช่ปกครองด้วยราชาธิปไตยแต่ปกครองด้วยอภิชาติธิปไตยพระเจ้าสุโทโธทนะจึงไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นแผ่นดินแต่ว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินคือเป็นประมุขของกษัตริย์ในราชวงศ์สกยะ เป็นประธานสภากษัตริย์แต่ว่าตัดสินพระไทยอะไรด้วยลําพังพระองค์ไม่ได้ต้องประชุมประชุมสภากษัตริย์พระเจ้าสุภ ป, ปุทฏะซึ่งเป็นพ่อของเทวทัตเองก็เหมือนกันแต่ราชวงศ์ก็ราชวงศ์เดียวกันนะคือคือคื อ, ค อ, คอมันมนคนละราชวงศนะ์แต่ว่าเชื่อสายผูกพันกันเพราะว่าแม่ของพระพุทธเจ้าก็คือน้องสาวของพระเจ้าสุปปุทฏะก็คืออาของพระเทวทัต แต่ในขณะเดียวกันแม่ของพระเทวทัตก็คือน้องสาวของพระเจ้าสุตโธธนะก็คืออาของพระพุทธเจ้าก็จับไปจัพมากันอย่างนี้ชอบกลยิงกันก็แสดงว่าศักดิ์ศรีจริงๆมันก็ใกล้เคียงกั น, ก น, นแต่ว่าทุกอย่างนั้นความเคารพนับถือเชิดจูขอมล้อมอะไรต่ออะไรในมันอยู่ที่เจ้าชายสิทธถะหมดคืออะไรต่ออะไรมันไหลมาอยู่ที่เจ้าชายสิทธถะหมดก็กลายเป็นแรงฤทธิ์ยา แต่ว่าอย่างไงท่านก็มีเชื่อดีนะฮะไปสัจจะปฏิญาณที่ให้ไว้ต่หมายโ น, น้นท่านก็คงรักษาไว้เนื้อต่อมาก็เคยประลองยุทธแพ้พระพุทธเจ้าแพ้เจ้าชาติทตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าแพ้เจ้าชายิทตถะาาตอนประลองฝีมือขี่มา้ายิงธนูฟันดาบก็แพ้พมันมีทั้งอิจฉามีทั้งอาฆาตมันฝังเพิ่มเชื่อบวกมาตลอดเลยพระเทวทัตเนี่ยตลอดสังสารวัฏ ก็ไม่ใช่ทุกพบทุกชาตินะฮะอย่างที่เคยเล่าฟังว่าคนก็บอกว่าเกิดพบกันทุกชาติตัวจริงไม่จริงอะฮะในชาดกมีอยู่ห8ดชาติเท่านั้นเองใน5้าสี่ชาติหรือ5้าหชาติมีอยู่เพียงห้าที่แดชาติที่พบกันเอ่อพอในที่สุดเมื่อเมื่อบวชนะเราจะเห็นว่าแกก็ไปในตถาภพสมควรแต่ว่าเพลิงริศยาไปได้เชื้อที่กรุงไบซาลีเพราะคนอื่นมาก็ถามหากันได้ ท่านก็มาคิดน้นอยใจว่าเราก็เป็นกษัตริย์พวกนี้ก็เป็นกษัตริย์เราก็บวชในธรรมพุทธเจ้าพวกนี้ก็บวชในธรรมพุทธเจ้าบวชเราก็บวชพร้อมกันมีศักดิ์ศรีอะไรเสมอกันหมดเลยแต่ว่าคนอื่นเนี่ยชาวบ้านเขานับถือกับเราก็ไม่นับถือนั้นนั้นัน้ น, น, น, นคือเป็นเหตุเป็นเดชที่ทําให้ท่านดิ้นอย่างแรงคราแรกทีนี้มันดิ้นมันก็ดิ้นหาเป้าไม่รู้จะเอาเป้าตรงไหนนะ มันเพราะใครทําไมเหตุไรคือมันคิดหาไม่ออกเลยมนหาทางออกไปได้เอ๊ะทำไมคนอื่นเขาเขานับถือแต่เราก็ไม่นับถือทำไมคนอื่นเขาถามถึงแต่เราก็ไม่ถามถึงคือมันไม่คิดคนเราพอพอไ อ, อ้สติปัญญามันมืดบอดแล้วมันจะคิดออกนอกตัวเสมยเมื่อวานนี่ก็ไปพิจารณาเรื่องที่วัดใต่างจังหวัด คุณชาวบ้านกับวัดเนี่ยมันมันหันหลังให้กันแต่หันหลังให้กันแล้วชาวบ้านก็เดินไปทางตะวันตกไอ้ชาววัดก็เดินไปทางตะวันออกเลยไ อ, ไอ้ที่กลางวัดก็มีแต่หญ้ากับขี้หมาปนกันก็ไปดูแล้วมันต้องแก้วางก็ไปสั่งให้ชาวบ้านนัดประชุมชาวบ้านมาคุยกัยนชาวบ้านก็มากันพราะจควรตรสอบถาม สอบถามนั่นก็สรุปว่าไอ้กิ้งกรานะขาก็แรงร่ำกวนนะฮะจุดหนึ่งเนี่ยแต่จุดสําคัญจริงๆก็คือพอหันหลังให้กันแล้วออต่างคนต่างเดินที่จริงถ้าหลังพิงกันมันก็ยังชั่วหน่อยต่างคนต่างเดินก็ยิ่งเดินมันยิ่งไกลแล้วก็พอหันมาทีมันก็ไม่เห็นกันแล้วในที่สุดเลยไม่รู้จักกัน ก็กำลังวางแขนคิดว่าจะแก้ยังไงถึงจะให้วัดก็อยู่ได้ชาวบ้านก็อยู่ดีเนี่ยก็นึกว่าจะแก้ที่พระองค์เดียวมันง่ายกว่าแก้คนเป็นร้อยนะแก้คนเป็นร้อยรู้สึกจะแก้ยากมันร้อยใจร้อยคนก็ร้อยใจแก้พระองค์เดียวดีกว่าเรารู้สึกมันจะง่ายหน่อยแต่แก้ไม่ได้ถ้าแก้พระไม่ได้ก็ต้องสร้างพระใหม่กันไว้กองหนึก <laughs> ็รู้สึกจะจะขจัดปัญหาต่างๆได้ เพราะต่างคนต่างมองไปที่คน อ, อื่นปรดญาติโยมก็มองความผิดมาที่พระพระก็มองความผิดไปที่โยมแต่เราจะแก้โยมเราแก้ยากคนมันเยอะเหลือเกินเพราะงั้นเราต้องแก้ที่พระเดียพระปรับให้เป็นแม่เหล็กดูดโยมเข้าวัดอีกทีหนึ่งพระเทวทัตไม่ลักษณะอย่างนั้นนะับลักษณะเดียวกันคือแทนที่จะ ท, ท่านจะมองมาที่ตัว เพราะคนก็ไม่ทักท่านคนก็ไม่นับถือท่านคนก็ไม่เรียกหาท่านแต่ว่าท่านเกิดไปโกรธไปไปมองที่คนอื่นทำไมเ็าเรียกคนนี้ทำไมเ็าเรียกคนนี้ท่านไม่ถามมาทำไมก็ไม่เรียกเราเรามีความบกพร่องอะไรคือไม่ดูความบกพร่องนะคนเราเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องการไม่วิเคราะห์ไม่ตรวจสอบตัวเองนี่เป็นปัญหามากจะมองเห็นความผิดไปหาที่คนอื่นทีนี้สมมติว่าท่านจะสละเลปรปะ ท่จะไปโกรธพระพัติญาพระอนุรุดพระอนะอนนงมวุ่นก็หาเป้าไม่เจอท่านประเมินผิดปั้งเดียวนะฮะคือก้าวพลาดก้าวเดียวแล้วผิดตลอดชีวิตพเพื่อนปฏิวัตท่านท่านไปคิดว่าที่คนเขานับถือนั้นเพราะเขาใหญ่เพราะที่ชาวบ้านเขาเรียกหาพระอา น, นุรุดพระอานนนพระอะไรต่อะไรเนี่ยเพราะเขาเป็นใหญ่ที่จริงท่าเข้าใจผิดฮนะไม่มีใครใหญ่เลยมันเท่ากันหมดตรงนั้น ไม่มหมดเพราะวาความเป็นพระอาหารของท่านเหล่านั้นไม่มีใครรู้แต่อาศัยความดีความงามของแต่ละท่านนั้นเองเป็นแรงกระตุ้นเป็นแรงดูดให้ชาวบ้านเขาเคารพนะับถือเมื่อวานามาก็เล่าให้ชาวบ้านฟางังบอกว่าขอให้ดีนะพระขอให้ดีหลวงปูข่ขาหลวงปู่แหวนนะคนปีนดอยขึ้นไปนะหลวงปู่ขาวคนปีนเขาขึ้นไปไม่กลัวอะไรพระพุทธเจ้าคนปีนเขาขิจะกูดขึ้นเปรกฝ้า มันก็อยู่ที่ว่าเราเป็นแรงดูดได้หรือเปล่าเราคือว่าคนจะเข้าวัดจะเข้าไปทําไมเข้าเพื่ออะไรเข้าไปแล้วได้ประโยชน์ยังไงเนี่ยมันก็ต้องคิดต้องคิดอย่างงั้นแต่ก็คิดไปบอกก็ไม่ไปมันก็ทานั้นเองพระเทวทัตนั้นท่านท่านก้าพลาดคือท่านคิดว่าท่านต้องใหญ่จึงจะได้คนเคารพนับถือพอมันพลาดจากความคิดผิดเริ่มทําผิด่ทีนี้ ว่ายังไงแกไม่นึกว่าพระพุทธเจ้าใหญ่ขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยท่านไม่มองใหญ่ของท่านก็คือต้องฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วเป็นพระพุทธเจ้าตะเองะท่านนึกว่าเป็นเราได้นะมันเละตลอดเลยทีเดียความคิดเริ่มพลาดคือพิษพลาดก้าวเดียวแล้วต่อไปมันก็จะพลาดตลอดพอจากนั้นเป็นต้นมาท่านก็เริ่มทําแผนประทุษกรรมอย่างที่ว่านะฮะคือเป็นคือยิ่งมือดอ่ะคล้ายๆกับยิ่งเข้าป่ายิ่งมืดพปฏทวทัติเนี่ย ก็แกทําแต่ละครั้งนี่มันเฉยๆขึ้นมาเรื่อยๆเลยแทนที่จะฉลาดฉลาดขึ้นมันยิ่ ง, งโง่ยิ่งเฉย อ, ออกมาเรื่อยเลยนั้นท่านลองดูความคิดจ้างนายขมังธนูอา้าวขึ้นภูเขากลิ้งหินให้ทับพระพุทธเจ้าคือถ้าไปนึกว่าท่านลงไปจริงๆถ้าหินลงมาอย่างนั้นมันไม่ไม่จะทับจากพระพุทธเจ้าพระสง์ลงมาเป็นแถว่าถ้าไม่ได้คิดอะไรแล้วพอปล่อยช่างก็ยิ่งเฉยใหญ่เลยเลยดูดูยิ่งมืดสติปัญญามันยิ่งมืดเป็นยิ่งเดิมไปยิ่งลึกเป็นยิงนย่งข้าวป่าหายไปเลย นี่คือกิเลสที่มันเริ่มกิเลสอย่างที่บอกว่ากิเลสมันจะเขี่ยวกรัมเขามันกันเองเลยคือมันจะขึ้นที่โลภะมันจะมีโมหะเสริมมันจะมีโทสะเสริมในในสุดมันจะเขี่ยวกันจนมั่วยหมดเลยออกมาหมดเลยทั้งโลภะโทสะโมหะเละหมดเลยคือแกแกมีต้นตอเดียวกันนะฮะกิเลสเนี่ยแกมีต้นตอคืออวิชชาด้วยกันเพราะงั้นพอแตะตรงหนึ่งตรงหนึ่งมันก็ไหวหมดเลยมันจะไหวมันจะขยับแล้วจะหมุนกันแล่วในที่สุดแกแกลองลองดูนะฮะท่านเริ่มด้วยโมหะ โมหะก็เกิดโลภะบโลภะไม่ได้ตำโลภะเกิดโทสะปะทุสรายปทุสะปะทุสรายโมหะมันเข้มขึ้นเลยเชยเรื่อยเล ย, เลยทีนี้ทําอะไรช่วยเรื่อยเยนี่ให้ลองสังเกตว่าทุกอย่างในเราวิเคราะห์กิเลสได้ตลอดไม่ต้องไปวิเคราะห์ให้มันกลคืออาจจะดูที่จิตเราเวลาความคิดพอมันเริ่มมันเริ่มก้าวผิดมันผิดผิดผิดผิดไปเลยมันเดินกันเรื่อยเลยถ้าถูกมันก็ถูกถูกถูกถูกอยู่เรื่อยทีนี้ พอถึงมาปล่อยช้างก็อย่างที่บอกกรเฉยมากนะฮะอะไรความผิดความความความคิดความอามันมืดบอดหมดแล้วเป็นพระเป็นเจ้าไปปล่อยช้างอยู่นอกบ้านนะปล่อยช้างไอ้ไล่แทงาศาสดาร์ตัวเองอยู่นอกบ้านด้วยไม่ใช่ว่าปล่อยแทงในในวัดก็เรียกว่าหมดหมดรูปอะความผิดก็ปรากฏทีนี้เรามองดูในแง่หนึ่งก็คือแง่ของความจงรักภักดีของพระอานนุน์พระอนุนนะเป็นเขาเรียกว่ายอดเลขายอดเลขาของโลก คือเป็นคนที่อุปถากพระพุทธเจ้าเป็นคู่บา ร, รมีที่สร้างมาสนับสนุนคล้ายๆกับเป็นคนเป็นผู้ช่วยพระเอกมาตลอดในพบในชาติต่างๆจะพบว่าที่ตอนบรรยายเรื่องชาดกจะเจอพระอานนท์อยู่เรื่อยเป็นคู่บา ร, รมีสร้างมาเป็นเป็นคนที่จงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้ามากที่สุดขนาดว่ายอมสละชีวิตพระโสดาบันอย่างปอดนะฮะพระโสดาบันยังนะยังยังยั ง, ย, ง, ย, ง, ย, งยังมีความกลัวยังมีความสะดุ้งอยู่ ย่งละพระท่านละส ก, สกายาติทิวิจิกิจฉาสิละพะตัตตรามาท่านนั้นเองแต่ว่าสมภัทม น, นั้นไม่กลัวแล้วพระานนท์เนีนเ่ยเพื่อแรกกับสิ่งที่สูงกว่าคือพระพุทธพพเจ้าเพราะฉะนั้นท่านจะยอมตายได้จึงเป็นพระพิเศษพระานนพิเศษไปหมดเลยอเอตาตะคะก็เลิกตั้งห้าอย่างตอนก็เลือกพระอาหารหันต์ล้วนๆเพื่อทําสงายนาท่านเป็นพระโสดาองค์งงเดียวในบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายต้องมีข้อแม้นะต้องมีข้อแม้ยกให้องค์หนึ่ง เป็นคนพิเศษที่สุดตรงนี้ตอนท่านกลับจากเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานนะคนร้องไห้ยิ่งกว่าตอนพระพุทธเจ้านิพพานอีกร้องไห้ตลอดทางเห็นบ้านนนก็ร้องไห้เห็นบานนนก็ร้องไห้คิดถึงพระพุทธเจ้านี่เป็นเป็นคนพิเศษจริงๆทีนี้ลักษณะอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าอย่างที่บอกนะว่าจุดเด่นของพระพุทธเจ้าคือไม่มีใครทําอันตรายได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการอย่างไรก็ตามเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเอง แต่พระอาหารได้นะฮะอาหารเพื่อนค่าได้อะไรแต่ออไรทําได้แต่พระพุทธเจ้านั้นจะไม่มีใครทําได้เพราะบารมีอย่างที่เคยบอกนะฮะบารมีมันห่างกันเฉพาะพระอาหารหันต์แล้วสามเท่าตัวสามเท่าตัวพระอาหารหันต์นั้นจะสร้างบารมีระดับธรรมดาอรหันต์ธรรมดานี้หนึ่งแสนอสงขายกับแสนกลับแต่รูุ้ตเจ้าสี่แ 0,000 นอาสงขายกับแสนครั 4, บคือมันเพิ่มไปอีกสามเท่าตัวเกือบสามเท่าตัวนะ แต่พระมหาสาวกจะสร้างบา ร, รมีสูงขึ้นไปกว่านั้นพระปจเจกาพะพุทธเจ้าจะสร้างบา ร, รมีขึ้นไปอีกหนึ่งเท่าของพระอารหันต์แต่พระพุทธเจ้าจะมากกว่าพระปจเจกาพะพุทธเจ้าห0ของการสร้างบา ร, รมีก็เหมือนกับคนเรียนนะเรียนหนังสือคนหนึ่งเรียนมากไปกว่าห0ามันก็ต้องเก่งกว่าธรรมาดาเพราะฉะนั้นบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าจะมีลักษณะอย่างนั้นทีนี้เรื่องการแผ่เมตตานะ พระพุทธเจ้านั้นท่านว่าที่จริงเมตตาเขากินอยู่รอบตัวนะเมตตาจะรอบพระองค์จะคือว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นพื้นแต่พระพุทธเจ้าเราไม่เรียกว่าเมตต า, าเรียกว่าการุณาส่วนการใช้ในกรณีนั้นเราเรียกว่าเมตตาได้แต่ถ้าพื้นพระไทยแล้วเราไม่เรียกว่าเมตตาเรียกว่าการุณาคือทรงแผ่เมตตาไปด้วยความมุ่งดีปรารถนาดีเนี่ยจิตใจของบุคคลก็จะอ่อน จะอ่อนโยนลงไม่ว่าจะรุนแรงอะไรก็ตามนะฮะสำนวนจีนกำลังภายในก็เรียกว่าใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวคือแทนที่เราจะโวยวายเพื่อนลากไม้มาเราลากไม้จะตีไปรเดี๋ยวก็สนุกกัน เ, เราก็ต้องหาวิธีที่ใช้ความสงบใช้เมตตาเมตตาเป็นกระแสะของความรู้สึกที่แผ่ไปมุ่งดีปรารถนาดีที่จะให้เกิดผลดีแก่บุคคลเหล่านั้นแล้วดู ตัวอย่างหลักพระโอวาทปาติโมก์ที่ท่านได้ฟังมาในในวันมาคะนะฮะอันมาก็ก็นิมนต์ไปเดินโรงก็เดินกันวันแรกสองสามมาประวันที่สามตัว ก, ก็สี6ห้าหครั้งว่าเป็นเลิกไีสามทุ่มเกือบสีทุ่มเราก็จะหยิบมาทีละจุดทีละจุดแต่ผมจะไม่เอามาหมดแล้วก็ที่เน้นมากที่สุดก็คือเรื่องของอนุบวาโดอนุปคาโตคือไม่กล่าวร้ายไม่ทาลาย ลักษณะาทางสังคมเมืองเรานะฮะในบ้านในเมืองเราจะพบว่าที่มันวุ่นกันมากเนี่ยมันมีลักษณะอย่างหนึ่งคือเห็นใครดีไม่ได้เห็นใครได้ไม่ดีเห็นใครดีฉันก็รีษยาพอเห็นใครได้เป็นได้นั้นแล้วก็ไม่เห็นด้วยต้องมีการคัดค้านอะไรอะไรนีน่แล้วก็ไม่รู้ให้ใครเป็นเสร็จแล้วตัวเองก็ดิ้นเพื่อจะเป็นเพื่อจะได้พอตัวเองได้ก็เพื่อนก็ว่าอันนี้ก็ไม่ดีอีกมันก็หมุนกันอยู่เนี่ยวัตจักวัตจักรเห็นใครดีไม่ได้เห็นใครได้ไม่ดี ออกมาในรูปของอะไรคือเป็นผนที่เกิดขึ้นจากการกล่าวร้ายการเบียดเบียนการล้างผลาญอนุบาโดนุบคาโตอย่ากล่าวร้ายอย่าทำลายอย่าเบียดเบียนซึ่งก็คืออะไรนะฮะก็คือเมตตานั่นเองเมตตานั้นก็จะกินรอบตัวได้ความรู้สึกที่เราสวด น, นะฮะสเปสตาที่เราสวดสวดเนี่ยนลองดูว่าในแง่ของการปฏิบัติคือการสร้างความรู้สึกจริงๆเราแผ่ไปได้ไหม มันจะสะดุดตรงไหนหรือเปล่าสะดิดสะดุดที่คนนั้นคนนี้หรือเปล่าศาสตราทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตงนมาดูง่ายๆนะฮะดง่ายๆนะศาสตราทั้งหลายทั้งปวงจงพินผู้ไม่มีเวรสมมุติว่าแกจะมีนะก็ย้ายามีจากเราย้ายมีเพราะเราเป็นเหตุที่จริงนั้นเราปยุติเวรไม่ได้เพราะศาตราทั้งหลายมีกรรมเป็นขอ ง, ของตน แต่อย่างน้อยที่สุดการสร้างเมตตาจิตขึ้นมาเช่นนี้มันก็ทำให้สัตว์นั้นอาจจะมีเวรแต่ไม่มีเวรเพราะเราเป็นเหตุไม่มีภยัยแกอาจจะมีภยัยแต่ไม่มีภัยเพราะเราเป็นเหตุไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันสมมติว่าแกจะเบียดเบียนกันก็ไม่เพราะเราเบียดเบียนเมื่อก็หยุดที่เรากงแก้ปัญหาที่เราได้ในชั้นหนึ่งนั้นเราแผ่ไปในลักษณะดังกล่าวแล้ว คือให้เกิดเป็นความสงบมันก็เหมือนอะไรนะมันคือหักความคิดนะหักความคิดหักความคิดอย่างอะไรอย่างพระภายบันีท่านเป่าปีสกดลสืก้าทัพนะฮะมืเวกวีดปลีเสียงตําแหน่งสนันมันก็เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดมาให้คนแทนที่จะคิดรบคิดถึงบ้านคิดถึงลูกถึงเมียคิดถึงความเดือดร้อนในสนามเราก็กลับความคิดการความคิดคนก็เริ่มตั้งสติความร้อนหน้าตามันก็ลดใจใจมันก็เยือกเย็นเยือกเย็นมันก็พิจารณาเห็นต่างๆ แต่นั่นก็เล่นเราหลับเลยก็ยังดีนะฮะหลับก็ดีกว่ารบ ก, กันก็เต้นเรื่องของจิตที่ยอมรับถึงความจริงอย่างน้อยที่สุดท่านทั้งหลายจะพบว่าแม้จะมีการเบียดเบียนการประทุษร้ายการทำลายกาันก็ไม่เกิดจากเราเป็นเหตุอย่างน้อยเราก็ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกาันแล้วเราก็อยู่สุขตามส่วนสถานะของเราเวลาเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับจุดใดกับคนใด คนนั้นเองก็จะได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากเราด้วยก็ทำให้โลกมีความสงบมีความเยือกเย็นมากยิ่งขึ้นงั้นถ้าถ้าเรามองดูโอวาตปฏติมโมกนะฮะมองดูโอวาตปาติมโมกในมุมทางทางหลักปฏิบัติเรียกว่ามุมในแง่วิชาการสามข้อแรกขันติเป็นตะบะอย่างยอดเยี่ยมท่านผู้รู้ทั้ ง, ทงหลายกล่าวพระนิพพานว่ายอดเป็นบรมธรรม ผู้ฆ่าสัตว์อื่นเบียเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าปฏิปชิตสมณะเลยเป็นลักษณะอะไรนะฮะเป็นลักษณะของอุดมการ์ของรุทธาศาสนาซึ่งทั้งชั้นของออพระอรหันต์พันสองที่จะออกไปเผยแผ่าศาสนาเนี่ยต้องใช้ขันติแต่ว่าท่านเองนั้นนิพพานแล้วนะฮะนิพพานแล้วเป็นสมณะไปแล้วเพราะงั้นงานสมบัตพันุ์รูปนั้นเฉพาะท่านเหล่านั้นก็คือหลักขันติ ที่จะต้องใช้ในการเผยแผ่ศาสนาส่วนประการที่สองนั้นคือหลักการสัพพะปะัสสะการนังหลักการในการอนุทิปฏิบัติมีสมอย่าง3อย่างเอาจริงจริงอย่างเดียวก็ได้นะฮะทำจิตได้ฟ่องแค่ก็จบแล้วส่วนชุดที่สองอชุดที่3ที่เริ่มเรืออนุปวาตโอนุปกาโตนั้นเป็นวิธีการวิธีการสองระดับระดับแรกคือสมบัติอราหันต์เหล่านะั้นก็คือการทํางานการเผยแผ่ แต่วิธีการในการสมัครคนทั่วไปก็คือวิธีการในการปฏิบัติเพื่อปฏิบัติตามหลักการนั้นหลักการสามข้อระบบาปบำเพ็ญบุญนําจิตใจผ่องแผเพื่อเข้าถึงอุดมการณ์ในพระพุทธศาสนาสามข้อข้างบนเพราะงั้นเอาข้อจริงแล้วมันก็มาสรุปอยู่อยู่อยู่ที่ข้อปฏิบัติข้างล่างข้อปฏิบัติข้างล่างมันก็มีอะไรไม่กล่าวร้ายไม่ทําลายสํารวมในพระปาติโมก ไม่กล่าวร้ายไม่ทําลายมันก็คุมอาการทางกายทางวาจาสำรวมในประพาติโมกข์มันคุมตัวเองรู้จักประมาณในพัตฐารก็คุมตัวเองอยู่ในที่สงัดก็คุมตัวเองแล้วก็ประกอบความเพียรแอนทิจิตก็ฝึกรือตัวเองเจยสุเป็นกาแสดงออกมาได้เมื่อไม่กล่าวร้ายไม่ทําลายมันแสดงถึงความสงบภายในหรือถ้ายังมีการกล่าวร้ายมีการทําลายอยู่ก็แสดงว่าไม่สงบแต่ในขณะเดียวกันมันก็หมายถึงว่าท่านเหล่านั้นละบาป ท่านทำกุศลสมบูรณ์ขึ้นท่านก็จิตผ่องแผ้วขึ้นจนถึงผ่องผ่องแผ้วที่สุดจิตก็ท่านก็เป็นวิมุตติท่านก็เชื่อเป็นธรรมะแต่ในเส้นทางการปฏิบัติมันต้องอาศัยกันติเพราะงั้นเอาก็จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องมากนะเอาก็จริงแล้วไม่ใช่มากอะไรจะไปยก ต, ต, ตัวอย่างให้ฟังในวันก่อนว่าธรรมานั้นอย่านับเป็นองค์ถ้าเรานับเป็นองค์ธรรมคือในแค่ในแง่ของการบรรยายนะฮะเรานับองค์ธรรมมากๆก ก, ก็เป็นหลักทางวิชาการ ตอนคืนมาค้านะมีอภิปรากันกับท่านผู้ว่าท่านผู้ช่วยเลขาหนุ ก, การและทบวงทีศึกษาคือปล่อยชาวบ้านก็พูดก่อนเรพูดธรรมะนี่เราพูดตอนไหนก็ได้สบายมากก็ปล่อยเขาพูดคือวันก็ก็พวกนี้ก็พูดเดี๋ยวเขานั่งนับขั้วข้อธรรมะสองคนร่วมร้อยข้อเอามาพอพ อ, พอถึงก็มาพูดอามาบอกก็กลัวโยมจะตกใจนะฮะเพราะมนั่งนับใบไม้มานานนอะ แล้วเราก็บอกปลูกต้นไม้ต้นเดียวนะขอสัมมาทิฏฐิตัวเดียวแล้วมันเกิดเองพวกนี้จะเกิดขึ้นมาเอง เ, อเพราะงั้นหลักการปฏิบัติทั้งหมดนั้นท่านจะเห็นว่าเราจะจับตรงไหนนะดยอาศัยพื้นฐา น, นคือความอดทนเป็นหลักอดทนในชั้นองการปฏิบัติเกี่ยวข้อกับคนก็ไม่กล่าวร้ายไม่ทําลายแล้วก็อดทนต่ออํานาจอารมณ์ไม่คิดไปภายนอกมันก็กลายเป็นการสํารวมสํารวมในศีล จึงเป็นการควบคุมอาการทางกายทางวาจานะก็อดทนต่อความหิวกระหายต่างๆได้มันก็กลายเป็นการรู้จักประมาณในพัฒนาหารอดทนต่อการอยากดูอยากเที่ยวอยากชมอยากลิ้มอยากถูกต้องได้มันก็อยู่ในที่สงัดได้นะทำให้อดทนมันก็อยู่ไม่ได้หรอกอยู่ในป่าเพิ่งก็ล่าเข้ามาอยู่ในเมืองกันได้แล้วก็มันก็เป็นการฝึกวานเป็นเพียงทางจิตในที่สุดมันก็เดินสอบก็ไปหาด้วยกันคล้ายๆกับเนี่ย เราจะทํางานตัวทํางานตัวเดียวเราเขียนหนังสือประโยคเดียวเนี่ยเราเขียนหนังสือประโยคเดียวท่านจะเห็นว่าถ้าเรานับเป็นองค์ธรรมนัม้นจะมีเยอะอิธิบาตสีไปหมดเลยสติสัมปชัญญะหมดเลยโดยเฉพาะสติระลึกถึงอดีตถึงธรรมที่เราจะเขียนลยแล้วก็มีขันติความอดทนมีวิรยิยะความเพียดังเขียนไปประโยคหนึ่งนะองค์ธรรมเป็น10บสบข้อเลยนี่พอพอในชัน้นปฏิบัติเพราะงั้นมันก็จับสักหลักหนึ่งแต่จับหลักสําคัญหลักคุ้มครองโลกก็คือหลักเมตตา การไม่การกล่าวร้ายกาันกันก็ดีการทำลายกาันก็ดีนั้นมันเกิดขึ้นจากความขาดเมตตาขาดแทนด์เมตตามีความรุนแรงในด้านต่างๆแยวถ้าเราปลูกพื้นฐานคือเมตตาได้อย่างน้อยที่สุดก็เมตตาที่ตัวเองอย่าสร้างเหตุสร้างเวรสร้างภัให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองแล้วก็แผ่สร้างความรู้สึกไปที่บุคคลอื่นเมตตาจึงมีบ่อยๆนะฮะท่านท่านทั้งหลาย ไ, ไม่ต้องห่วงเพราะเมตตานั้นพอแก่เกิดที่จริงตัวแกนะแก่สยบพยาบาทนะฮะ แต่ตั้งเคยเคยสังเกตไหมถ้าเมตตามันเกิดแล้วมันสละโลภะได้เราเมตตาคนนี้ตีทีทต่ตัวเมตตาจริงมันมันมันมันสงบพยาบาทมันตรงกับข้าของพยาบาทความโกรธแต่พอเราเมตตาเด็กคนนี้เราให้ได้หมายความว่าสละโลภได้สละโลภได้ด้วยทีนี้อาการที่เราสงบพยาบาทได้เราสละได้ก็แสดงว่าโมหะมันก็ถูถกบรรเทาความรุนแรงลงไป พระถ้าโมหะยังอยู่ประก็บงก็ให้คนอื่นไปได้นี่ที่จริงคือจุดเริ่มเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวนะว่าองค์ธรรมะเนี่ยทําไมมันวาดมายเหลือเกินโอ้ยปฏิบัติไม่ไหวหรอกแต่ถ้าเราเกิดเราเกิดได้สักจุดขอให้เกิดได้สักจุดคือจุดใดก็ตามจุดเมตตานะจุดเมตตาก็ตามหรือว่าจุดของสัมมาทิฏฐินั้นะสัมมาทิฏฐินั้นะนะจะกินตัวมากนะเพราะสัมมาทิฏฐิมันไปแก้ที่ตัววิชาคือรากใหญ่เลย แกจะขจัดได้เร็วมากกว่าเมตตาแต่ว่าเอาก็จริงๆทํายากคือสมาธิินี่จะจะให้เกิดแล้วก็ตั้งหลักอยู่ในใจเนี่ยมันจะยากเพราะว่าเราต้องเพิ่มพูดปัญญาขึ้นมาส่วนเมตตานั้นอาศัยความเข้าใจตัวเองคือคิดถึงตัวเองเอาตัวเองเป็นฐานเรียนรู้ความเข้าใจบุคคลอื่นแล้วในที่สุดเราก็จะสร้างความรู้สึกที่เป็นเมตตาขึ้นภายในจิตได้พระพุทธเจ้าจะท่งเน้นในเรื่องเมตตานี่มาก เพราะอะไรเพราะไม่ตามมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์มันไม่เหมือนกรุณาการุณานั้นมันพูดกันเฉพาะคนทุกข์เท่านั้นเองทีนี้คนเราเห็นความทุกข์ของคนอื่นยากเพาะวจริงเพื่อนหกล้มหัวเราะได้เลยทีนี้มันหกล้มหัวเราะมันสนุกไปนะเขาทุกขนะ์นะั่นะนะ่ะเขาทุกข์เราน่าจะกรุณาเราหัวเราะเลยพระเจ้าจึงไม่ค่อยพูด ไม่เคยสอนเรื่องการุณานอกจากสอนชุดมานะฮะนอกจากสอนเป็นชุดมาแต่ถ้าเป็นเป็นนั้นเราจะเน้นที่เมตตาเพราะเมตตานั้นเราเห็นเ ห, เห็นได้ ง, ง่ายเนื่องจากมันมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์แล้วแม้แต่ว่ามุติตาเองก็จะสอนน้อยนะฮะนอกจากเป็นชุดมาเพราะอะไรเพราะว่าคนเห็นความเจริญของคนอื่นได้ยากเพราะในขณะที่คนอื่นเจริญนั้นคืออริสยามันแซงหน้ามุติตาเป็นดักหน้าไ้หมดเลย เขาจะเมตตาเลยเพราะเมตตาเป็นฐานแล้วต่อไปมันจะเกิดกรุณาเพราะเราเมตตาคนนี้ได้นะฮะสมมุติว่าเราลลูกเราเนี่ยเราเกิดเมตตาปรารถนาดีลูกเป็นอยังไงยังงยังไงยังไงพอลูกก็เกิดทุกข์เราก็เกิดกรุณารักษาเยียวยาแกะเดินเองไงไม่เดินเองไหมนะพอลูกก็ได้ดีมีหน้ามีตาสอบไล่ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเราก็มุทิตากับลูกเดินเองเดินเอง พอลูกตั้งตัวได้เป็นหลักเป็นฐานแล้วลูกสบายแล้วตอนนี้ฉันเข้าวัดความธรรมจำศีลได้แล้วอุเบกขาได้แล้วไม่ต้องเดือดร้อนแก่ส บ, บายแล้วลูกฉันเดือนนี้ฉันปลดฉันปล่อยฉันวางได้แล้วเห็นไหมฮะมันเดินกันเองพระพเจ้าจึงเน้นที่เมตาตาแทนที่จะเน้นที่ตรงอื่นแทนที่จะเน้นนี่กรุณาเนี่ยจะเน้นที่เมตตาไว้เพราะเมตตาจะมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์และสัตว์ทั่วไปนี่เราเรียนรู้ได้ง่ายกว่าที่จะเรียนรู้เฉพาะความทุกข้องคนอื่นและความได้ดีคนอื่น ฐานของพรหมวิหารจึงไม่ได้ไม่ได้วางอุเบกขาหรือไม่ได้วางอะไรไว้ข้างบนวางเมตตาไว้ข้างบนดังนั้นในในในชั้นของการปฏิบัติปฏิบัติการภายในครอบครัวหรือในการเกี่ยวข้องกันนะท่านจะเห็นว่าเช่นว่าหน้าที่ของชาวบ้านที่จะมีความรู้สึกต่อพระก็ต้งเริ่มในเมตตากายกรรมมรรมมนกรรมคนอยู่ร่วมกันหลักสารานิยธรรมที่อยู่ร่วมกันะ จุดยึดเหนี่ยวทางใจที่เป็นไปเพื่อความรักความเคารพการสงเคราะห์กันกา ร, การไม่ทะเลาะกันการไม่มีวาสความสามากกัคคีและอีกกีภาพภายในทั้งกรมพระเจ้าก็เริ่นที่เมตตาเริ่นที่เมตตาสแสดงออกมาได้ทางกายทางวาจานะทางใจแต่ที่แท้จริงมันมั น, ม, นมันต้องจุดที่ใจนะจุดขึ้นมาที่ใจถ้าหากว่าที่ใจไม่มีเมตตาต้องออกมาทางกายทางวาจามันก็เป็นเสแสร้งเป็นมารยาจจุดทั้งนี้แกจะต้องสัมพันธ์กัน ถ้าว่าแกออกมาทางทางวาจาเฉยๆพูดหวานปากปลาใสด้านใจเจ็บก่อเห็นไหมเป็นมารยาเป็นเจ้าเล่ห์เลแต่ใจคิดอย่างนะฮะปากคิดอย่างจุดสัมพันธ์ทั้งหมดมันก็เป็นไฟที่จุดขึ้นมาจากใจแต่เป็นไฟธรรมะเป็นประที่ที่ส่องใจขึ้นมามันก็ออกมาในรูปเมตตาได้บ อ, อกมาเมตตาเราก็แผ่ได้แต่ได้พลานุภาพของเมตตาเนะี่ยมันก็หยุดอะไรได้นะแม้แต่ยุงกัดว่าจริงๆนะั้นก็ยุงยุงกัดน้อยนะ แตเราแผ่มเมตตาจะไม่ไม่ใช่อบอกวาจ้องมาแล้วโตวปับปับปับไ <c oughs> ยุงมันได้กลิ่นเลือดเลยมาต่อใหญ่ก็เลยสนุกกันใหญ่เลยทีเนี้ยแต่ถ้าเราแผ่มเมตตาจิตทำวางเฉยสักบ้างนะฮะอุเบขาสับ้างเอตตาบ้างให้ทานบ้างอนะไรต่งยุงมันจะกัดเราน้อยสาสตร์ทั้งหลายจะเบียดเบียดน้อยเพราะฉะนั้นเมตตาจึงเป็นธรรมที่มาคุ้มครองโลกคุ้มครองชีวิตคุ้มครองจิตใจ แม้แต่พระที่ไปเจริญกรรมฐานอะไรก็ตามพวกไอ่ถือคาถากันผีไปนี่ส่วนมากไปไม่รอดแต่ถ้าแผ่เมตตาแล้วจะไปรอดเพราะเราสร้างความเป็นมิตรเราไปด้วยความเป็นมิตรดืนยิ้มเข้าไปเราก็ไม่ต้องการเวรต้องการภัยต้องการเบียดเบียนต้องการระทุษร้ายใครก็อาศัยที่พักผ่อนบำเพ็ญเพียรได้นั่นเองทไม่ไม่ไม่มาวุ่นวายว่แว่กับใครแต่ถ้าไปแผลงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารกับเขาแล้วเนี่ยฮะ ส่วนมากก็จะจะไปไม่รอดเพราะงั้นพระธุดงค์เป็นอมากที่ตายไปเนี่ยตายไปพระอวดดีไปเรียนคาถากับไปศัยศาสตร์ต่างๆไปปราบไปปรามไปเบียดเบียนไปทําลายเขาก็ามีชีวิตเหมือนกันนะฮะเป็นชีวิตที่เราจะต้องให้เมตตามันไม่ใช่ไปไปไ ป, ไปทำลายล่างกันแต่ถ้าเราสร้างไมตรีจิตสร้างเมตตาต่อกันแล้วผลที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเรานั้นแน่นอน คือมีเวรมีภยัยมีการเบียดเบียนกันมีการประทุสล้ายกันมีทุกมีความเดือดร้อนที่มีอยู่ในโลกนั้นเป็นธรรมดาแต่อย่างน้อยที่สุดเป็นการยุติเวรภัยซึ่งจะเกิดขึ้นจากเราและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือในด้านอานิสงค์พระพุทธเจ้าทรงแสดงบ่อยแล้วก็แสดงอานิสงค์บาทีว่าไปทั้ง1ิข้อนะครก็ขึ้นมันแต่บามีก็อย่างมั น, ข, น, ข, น, ข, น, ข, นขึ้นอยู่กับระดับของเมตตาอย่าลืมเมตตาเป็นพรหมหารด้วยเป็นอปมัญญาด้วยเป็นอารมณ์กรรมฐานด้วย ขึ้นอยู่กับว่าเราแผ่ไปได้ขนาดไหนละเมตตาเนี่ยถ้าเราแผ่ไปได้ระดับหนึ่งระดับที่เรียกว่าอยูด่ด้วยเมตตาจิตเมตตาวิหาริโนพิกคุคือมีปกติเห็นภัยแล้วก็ใจอยู่ด้วยเมตตาเพราะเมตตามันอาภัยก็ดีอดทนก็ดีกรุณาเมตตาเบีขามันเดินมันแถบมาเลยตามสมควรแก่ธรรมะ พระเจ้าทรงสแสดงว่านอนหลับก็เป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์เทวดายอมรักษ า, าศาสตร์อาวุธ ย, ยาพิษไฟต่างๆเนี่ยแต่ทําอันตรายไม่ได้แต่จิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็วนะโยมลองนั่งดูจะลองโกรธใครแล้วมานั่งสมาธิดูจะให้มันสงบนะมันนึกแช่งอยู่ภายในใจปายไม่รอด แ, แต่ถ้าเรามีเมตตาจิตใจมันสงบเพราะมันเย็นอยู่แล้วนะฮะเย็นกับความสงบมันก็ใกลยย้ ถ้าจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็วถ้าระดับทั่วไปนั้นจะไม่หลงตายนะฮะเดิ้ลตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติแต่ทีนี้มเมตตาเจตโดมุสมันมีด้วยคือจิตหลุดพ้นจากอํานาจกิเลสโดยเมตตาเนี่ยที่ตรงแสดงว่าเป็นไปรัดนิ้วมือเดียวแม้ให้เป็นไปรัดนิ้วมือเดียวก็เป็นธรรมมีอนิสงส์ใหญ่มีผลใหญ่มีอนิสงส์ให ญ, ให ญ, ใหญ่เพราะอะไรเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นมันมันมันมันทํนนาพบชาติถ้าตายนะฮะพูดทางพบชาติคือพูดเผื่อตายไปด้วย จะบังเกิดในพรหมโลกมันมีผลเมีอันในสูงมากทีนี้ถ้าเราอยู่ในโลกนี้นั้นเราจะมองโลกในแง่ที่สบายเพราะฉะนั้นใจยมงคลที่จะเกิดขึ้นจริงๆนั้นไม่ใช่ขอให้พระพุทธเจ้าขออนุภาพเมตตาของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเมตตาที่บุคคลผู้ท่านจะต้องสร้างขึ้นภายในจิตใจแล้วก็ให้เป็นฐานเป็นเมตตาวิหารีนะฮะมีปกติที่อยู่ในเมตตาแล้วความสงบความเยือกเยน็นความปลอดเพยปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นแก่เรา และเวรภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นแก่คนอื่นก็จะไม่เกิดขึ้นแก่เรามันก็ช่วยอะไรได้มากทีเดียวแล้วขึ้นอยู่กับจุดที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์คนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเราได้อาศัยเมตตาเรามากทั้งหลายความสงบเวรภัยก็เกิดขึ้นได้มากเท่า น, นั้น ก, เนก็เป็นการกระจายความสุขให้บังเกิดขึ้นแก่โลกตามแนวพุทธจิริยาสมบพันธในวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ขอรัตนาคุณประสีรัตนตรยัยได้โปรดตนบันดาลวิบาลรักษาให้ท่านทั้งหลาย ประสบความเจริญงอกงามไพรู์ในธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วโดยตัวการทุกท่านเธอ